นี้นะครับเราอยู่ในหน้าที่เรอยู่ในหน้าที่3ารนะครับขอโทษเราจะนิฐานด้วยกันพระเด็จพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดขอพระคุมพระองค์ทังหนึ่งที่ข้างหลทูลขอการทรงนําของขุนญาณโดยสุดและการเตรียมร้นการเคลื่อนไหวของพระองค์ท่ามกลางข้าพนึ่งหลายพรข้ามไหลให้มีสิปัญญาในการเข้าใจพระชนะของพระเจ้าเพื่อที่จะรู้จักสัจธรรมและเพื่อที่จะทําให้พระองค์ในงานนั้นจะยอมผุกพันตัวเองกับพระองค์ครับ ขอกราบพระคุพระองค์กราบถูในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าครับในวันนี้นะครับก็จะขอเริ่มต้นด้วยห้องอภิสุที่สักพี่น้องมีพระคำพีนะครับเราจะเห็นว่าในคำพนีนะครับคำพีของเราเนี่ยนะครับว่าชาร์ตนะชาร์ตของชาร์ตของภรวิหารถ้าใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คลิกเข้าไปที่ภาพนะครับภาพแล้วก็ว่าเราก็จะเห็น ในแผนธรรมเนียมวิหารเนี่ยจะมีสถานซึ่งเป็นศูนย์กลางของการถวายบูชาก็คือห้อง holy of h o l y เราเรียกว่าอาพี่อาพคือใหญ่ที่สุดนะครใหญ่อาพี่สุดที่สถานเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์เ ร, เรียกว่าห้องนะบริสุทธิ์ที่สุดครับดังนั้นตรงนี้เขาเปรียบเทียบ ว, ว่า24ชั่วโมงสุดท้ายของพระเยซูนะครับอาจจะเปรียบได้เหมือนกับ holy of h o l i นั่นแสดงว่าเป็นจุดสุดยอดและเป็น เป็นการที่มีความสำคัญมากใน24ชั่วโมงนี้เรามาดูกันครับในชีตบอกว่าช่างเป็นความรักที่อัศจรรย์อะไรเช่นนี้เมื่อเราเดินผ่านชั่วโมงเหล่านี้เราก็ต้องทําด้วยความเคารพและความเพิดทูนฉะนั้นถามว่าในโพลีวิกเนะครับหรือในวันทางตานวันวันคานเราก็เปรียบไปว่าเราจะเป็นพิเศษมานานเท่าไรก็ตามความยิ่งใหญ่ของการชีวชนหรือการตายไม่มีวันที่จะลดน้อยหรือจืดจางลงไปเ ล, เลยนะครับห้องชั้นบนเนี่ยนะครับ ก็คือถ้าเราไปเที่ยวอิสราเอลเนี่ยเราก็จะเห็นเขาสร้างนะครับสร้างเป็นคล้ายๆกับเป็นห้องใหญ่ๆห้องนึงนะี Up ่ยับครอบสถานที่ที่เคยเป็นอัปเปอร์รมนะครับเข้าเสู่พิธีเราเข้าใจนะครับว่าปัสกาเนี่ยก็คือต้องเฉลองแบบนี้เลือดถึงปัสกาครั้งแรกเกิดขึ้นที่ไหนครับครับเขาก็ฆ่าแกะแล้วก็เอาเลือดนะครับทาที่วงกลประตูต้องรู้ไหครับว่าเวลาที่เราไปฮ่องกงไปมืงจีหรือไปสิงค์ แม้แต่เราไปใช้หน้าทาวโยอบอารา่าในต้นปีใหม่เนี่ยบ้านเนียบ้านเนครับมีครับแล้วเนี่ยในสมัยเจอเลิลยท่าบัญญัตินะครับคนยิวก็มีเมชุบเดเข้าเดินออกและสถาภายในก็คือบ้านของเขาเนี่ยคามหมายของของพระบัญญัติที่โบเสสได้บัญชาดั้ น, นี้เราสมัยนี้นะครับเราสามารถทําได้โดยการติดเข้าวัจะนะของพระเจ้าถ้าเราเดินเข้าไปในเมรพัฒนานเนี่ยเราเห็นทางเราก็จะติดพระคำพีบ้านเราก็ทําได้นะครับบ้านเราเนี่ยก็ไปติดพระคำพี์นะครับ ไว้สองสาแห่ง 3- 4แห่งในบ้านเรานะฮะกัน3าสี่ข้อเลยนะครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไว้เพื่ี้อะไรฮะให้พระนจ้าของพระเจ้าเนี่ยนะฮะให้ปุกไว้ที่ศีรษะนะฮะแล้วก็ไว้ที่ไหนครับไว้ที่แขนเนี่ยนี่คือสี่ด้านอะไรประมาณเนี่ยนะนี่เรากำมาดูนะครับว่าเยี่สี่ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่ห้องชั้นบนอาหารมื้อสุดท้ายนะครับพี่น้องดูในชีตนะครับ เรื่องของปัสการนี้เป็นการเฉลิมฉลองปกติธรรมดาทั่วไปนะซึ่งเขาต้องทําทุกปีและถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่ที่สุดนะครับและก็ถือว่าเป็นเทศกาลขึ้นคาวบกนั้นได้ร่วมฉลองกับพระเยซูมาแล้วอย่างน้อยกีกครั้งครับสครั้งแต่ยังมองไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพิธีนี้กับการสิ้นพระชนกของพระเยซูนะ เพราะอะไรครับพ่อสังเกตดูตอนที่เยซูพูดถึงเรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์เนี่ยพวกสาวพวกยังไม่อยากให้พระเยซูว่าความผูกพันส่วนตัวที่คับเห็นถึงประโยชน์ต่างๆที่พวกเขาได้รับจากพระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่เยซูตายและเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องการเป็นทึ้นเความตายหรือการฟื้นขึ้นความตายของพระเยซูด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูพูดถึงเรื่องการตายของพระองค์นะครับเปโตรก็บอกว่าอย่าเลยอย่าเลยตองนะคือสิ่งที่แสดงว่าเขาไม่เข้าใจ เพื่อเขาไม่เข้าใจเนี่ยจึงไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างปัสกาปัสกานะครับที่เขากำหนดจะกินอยู่นีครับกับพันธสัญญาใหม่ที่เขาจะเดิมนะครับและการชื่ชนชมของพระเยซูดังั้นตรงนี้ครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้พวกเรานะีต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้พอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่เราก็จะเดิมกับพระัมภีร์ยาแรกนะที่เจ้าทํากับโมเสสนะครับก็เรียกพันธสัญญาบนภูเขาซิไนนะครับกับพันธสัญญาบนภูเขา ให้พวกเราได้มีโอกาสเปิดนะครับอบยกบทที่12ข้อ14นี้นะครับเราจะเห็นการทาสัญญาสัน้องจำไห้นะครับว่าเมื่ อ, อไรก็ตามที่เกิดสัญญานะครับต้องมีผู้สัญญาในการดำเนกันครับต้องมีเงื่อนไขของถ้าคุณจะรักษาสัญญาคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ครับอยกบทที่22ขอโรษบทที่12นะครับข้อ14วันนี้จะเป็นวันที่ระลึกสำหรับเจ้า ให้เจ้าทั้งหลายถือไว้เป็นวันเทศกาลแด่พระเจ้าชั่วชาติพันธ์ของเจ้าเจ้าจงฉลองเทศกาลนี้และถือเป็นกฎถาวรไปกข้อหนึ่งครับดูข้อที่เื่คืนวั น, นั้นเป็นคืนที่พระเจ้าทรงเฝ้าดูเพื่อทรงนําเขาออกจากนั้นจึงเป็นคืนของพระเจ่าที่ชนชาติอิสราเอลทั้งพวงเป็นที่ระลึกต ล, ลอดการปกพภพนะครับการเก็บข้าวเก็บของเดินออกจากอียิปต์ตรงนั้น ถือว่าพระเจ้าเนี่ยเฝ้าดูแลเขาตลอดการเฝ้าดูแลของพระเจ้านะครับก็คือว่าพวกอียิปต์เนี่ยแทนที่แล้วเนี่ยเขาก็เสียดายใช่ไหมครับว่าพวกพวกอินรัตน์เน่ยแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยระคนไปด้วยความรู้สึกเกลียดชังเพราะว่าด้วยเหตุที่ฟาโรของเขานะครับไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าไม่ปล่อยเขาออกไปนะครับลูกชายของพวกเขาก็ตายสาัตว์หัวปีก็ตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน มันก็เลยเกิดความสุกที่ว่าเออพวกนัามาซึ่งความวิบัติถูกไหมครับแต่ทีนี้ในทางกลับกันนะครับจากตรงเนี้ถ้าพระเจ้าไม่เฝ้ามองดูนี่นะเผลอเผลอก่าวเนี่ยคีบหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยค อ, อยดูแลวพวกเขาและยังเกิดอะไรขึ้นครับมีการให้เข้าให้ของกันด้วยเ <c oughs> ขาเนี่นะครับไม่ได้ยากไม่ได้จนนะครับเขาก็มีเก็บก้าวของของเขาอยู่การสะสมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่เป็นอย่า ง, งา น, นั้นนี่วัวทองคําจะเกิดขึ้นได้ไงถ้ากันมานแบบแบบเสือพื้นมอนใบเนี่ยวัวทองทํามันก็ให้ถูกไหมครับนะพวกเขาก็ต้องเอาเต็นท์ออกเอาหมอ้อเอาไหเอาอะไรต่างเนี่ยโอ้โหมันเป็นคาราวานถ้าพระเจ้าไม่เฝ้าดูเขาอะยินแดนหนึ่งไปอีกดินแดนท่พม์พีบอกว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูเขาครับภาษาอังกฤษแค่ว่า keep watch keep watching ก็คือว่าการทรงนําของพระเจ้าเนี่ยโอ้โหนะผ่านไปเนี่ย 24ชั่วโมงนะเดินออกเดินออกเดินออกออกลับกลับไปครับที่บอกว่าเรื่องราวการเดินทางอันน่าทึ่งไปยังภูเขาชีนายของพวกเขาจดไว้ในพระธรมรมอพยพบที่ 12-14 เพื่อที่จะเข้าใจพันธสัญญาใหม่เราต้องเข้าใจพันธสัญญาแรกก่อน<ม>เพื่อที่ว่าเมื่อเรา ล, ลึกถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูโดยที่ว่าเราก็จะพบว่าตัวเองนั้นอยู่ใต้คลื่นแห่งพระคุณครับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว นัตั้งแต่ที่ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์และได้รับการถ่ายให้พ้นจากการเป็นทานเวลาที่เรารับพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นะครับบอกว่ายามใดก็ตามที่ราลึกถึงต้องมองย้อนกลับไปถึงค่ําคืนพระรหัสที่อีและมองย้อนกลับไปถึงพิธีบอสกาครั้งแรกที่อียิปต์นะพี่น้องผมถามที่นี่หนึ่งไงเนี่ยในที่นี้นะครับใครนะครับเวลารับมหาสนิทปุ๊บเนี่ยก็ผมก็ยกแก้วขึ้นมา แล้วก็ต่จะมีใครมองย้อนไปครับว่านี่คือปัสกาแรกครับแต่ต่อไปนี้เนี่ยเรามีอะไรที่ให้คิดครับถ้าเราไม่มาเรีนี่นะเราจะไม่มีทางคิดเลยเพราะไม่มีใครสอนให้เราคิดให้เราระลึกถึงว่าปัสการแรกเนี่ยหมายถึงอะไรการแรกหมายถึงว่าพระเจ้าปัสกาเดียวกันที่เล็งถึงเมื่อเราสามารถระลึกได้แบบนี้หรือคิดได้แบบนี้แล้วเข้าใจแบบนี้นะครับเราเกิดความทราบซึ้งแรกถ้าผมไม่รู้จักนะครับผมก็จะรู้ แต่งงานทนักคุนห้าปีผมก็รู้จักระดับ5ปีแต่งงาน20ปี8ปีผมก็รู้จักคุณแต่งงานห้าสิบปีห้าสิปีนี่เป็นอะไรครับคนหรือทนอยู่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาเนี่ยความรู้จักของเขาเนี่ยเป็นไงครับแน่นอนครับลึกซึ้งมากกว่า25ปีแน่นอนกับเช่นเดียวกันครับการที่เรารู้จักพระเยซูเนี่ยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนปีเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากอาจจะรู้จักน้อยกว่าเป็นไม่ได้ไหมครับเป็นไปได้ไมากเนี่ยเข้ า, าศาสนา ครับแล้วก็ไม่เคยอา่านพระคัมภีเลยมาก็มาโบสถมาบ้างไม่มาบ้างเรียนระวีก็ไม่เคยเรียนอย่างนี้เขาก็เชื่อศาสนาเออเชื่อโอเคแค่นี้พอละนะกับเปียบเที่ยวอ่าา ường, อ ường, อะคุณโจคุณโจเชื่อพระเจ้ามาเเดือนอ่านพระคัมภีรจบ3าเดือนจบเดือนจบ1รอบแต่วคุณโจแล้วนะครับอาจารย์ด็อกเอร์วานุ่งหน้าเนี่ยหลายหคนตอไม่ได้แต่คุณโจใช่เอโดมคือคือเอชาวเห็นไหมครับใครรู้ครับเอโดมคือเอชาวเอชาวคือใข่เอโดมคือใข่ แต่โจเนี่ยเขาอา่านเขาอ่านเขารู้ฟังนะครับเขาก็รู้เก็บไปเชื่อติดต่อกันกลายเป็นจิ๊กซอว์เต็มเต็มภาพเลยเต็มรูปเลยเขารู้จักประชจ้าเลครับต่อไปครับพระเจ้าตั้งพิธีปัสกาขั้นแรกนะครับพระเจ้าก็ขูกตัวของพระองค์เองกับประชาชนอิสราเอลนะครับก็คือว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเท่าออเจ้าผู้ได้นําเจ้าออกจากอียิปผ่นดินท่า ถ้ามีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากเราพระเจ้ายาเวเองนี่นะครับทรงทําพันธัญญากับพวกเขาและพันธีใหม่เรียกพันธัญญานี้ว่าเป็นพันธะเซสเมนนะครับเพื่อพระคริสต์ทรงยกขนมปังและถ้วยเหล้าหมุนขึ้นโปรงก็ประกาศพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาใหม่นี้มีไว้สําหรับคนที่ไม่ได้กับก็แพร่ในไม่ช้าพระเกียติคุณก็แพร่กระจายดังนั้นผู้ที่ติดตามพระเยชูมากเป็นเลยครับอย่าไปใช้ับว่ายิวฝ่ายวิญญาณ น, นะครับ มันเป็นประชากรของป้นอนกันก็คือคําว่าประชาเราก็คือเจ้าเราไม่ใช่ยิวครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราเป็นยิวนะแล้วบอกไม่ใช่ยิวของเขาเป็นยิวเขามีเชื้อสายมามีพ่อแม่เป็นอับราฮมัมแต่เราเนี่ยไม่มีพ่อแม่เป็นอับราฮัมนะครับแต่พ่อแม่เราคือไทยครับก็ตามสายของเราที่แหละนะไล่ไปเรื่อยๆก็เจอจะเชอร์เชมเชมเชมถ้าตามครับเราไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเราไม่ได้มี เราไม่ได้มี ป, ปัจุรุนคืออับดาห์นะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอับดาห์นะเองก็ตามเรากับเอลนะครับและยิวเนี่ยเขาจะได้ความรอดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนแดะพือโลกนั่นแะครับนั่นแหละคือยิวแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นยิวฝ่ายวิญญาณนะเพราะหลายครั้งเนี่ยอาจารย์บางท่านเนี่ยบอกว่ายิวเราเป็นยิวฝ่ยญญายไหนนะครับเรา่เป็นประชากรของเราแบบดีครับต่อไปครับยอดหน้าสุดท้ายของหน้าที่32 เปาโลได้อธิบายถึงผลถึงพันธัสัญญาใหม่ในชีวิตของเราด้วยวลีที่ลึกซึ้งที่สุดในขอ้อทีใหม่ว่าการเข้าส่วนกับพระคริสต์นะครับตอนนี้แก้นิดหนึ่งนะครับ c o อพจน์แรกนี้ไม่มีตัวอาร์คบแ น, น, นคน น, นนะครับวันนี้จะขออธิบายคำว่าเท่าส่วนกับพระคริสต์คับสองคำนี้นะครับเราจะดูมาไ้เขาเล่นคำว่าแม็ิวเรียร์สอนม่ไหมเอที่สอนในพระคริสต์นี่ ั้าทูเตเปาโลนะครับสอนว่าเราอยู่ในพระคริสต์นเดียวกันครับพระคริสต์ก็อยู่ในเราคริสตก็อยู่ในพระคริสต์ครสกินก็คือเท่ครับคือการเข้าส่วนกับพระเยซูคํำถามก็คือว่าพระคริสต์อยู่ในเรานะครับในรูปแบบไหนครับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราอยู่ในพระคริสต์แบบไหนที่ไดจากเป็นพระกายนะครับ เราอยู่ในความรอดใต้ชายคาแห่งพระคุณของข้าเราอิน r i รส์ในพระธรมเอเฟซัเนี่ยบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามเนี่ยในก็คริสเราจึงมีในก็คริสเราจึงมีในก็คริสเราจึงมี in นไครส์เราจึงเป็นพี่น้องต่อดในพระคิสเรานี่ในพระคริสเราจึงเป็นทายาทเราในพระคริสนั้นเรายังพูดร่วมรับมรดกโดยมีพระวิญญาณโดยสุดเป็นมัดจำเห็นไหมครับอันนี้คือ ในพระคริสต์ถามว่าในพระคริสต์และพระคริสต์ในเราที่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเพราะการสิ่งพระชนของพระเยซูทำให้เรามีศัเราจึงสามารถมีสามะคีธรรมและสัมพันธภาพกับพระองค์ได้นี่คือสิ่งที่ใหญ่มากเลยถ้าพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนไม่ได้ลางเระโอหิตของพระองค์มาแม่งเขนเราไม่มีทางที่จะอยู่เข้าส่วนกับพระเยซูครับนะต่อไปครับหัวข้อต่อไปนะการประยุกต ในห้องชั้นบนพี่น้องที่ถึงภาพนะครับอวุธของพระเยซูก็นั่งอยู่ด้วยกันเราคงเคยเห็นภาพในอัปเปอร์รูมใช่ไหมครับรเยซูตั้งพิธีมาหาสนิทแหมทุกคนนะก็หันหน้าออกมาหมดเลยนะจริงๆร้องวงนะหันทุกคนหน้ามาหมดเลยไม่ใช่นะเหมือนกับกําลังถ่ายรูปเนะี่ยทุกคนหันหน้ามาไม่ใช่จริงๆเรื่องของเรื่องก็คือว่าพวกเขาเนี่ยร้อมโต๊ะอยู่พวกก็ร้องโต๊ะอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ขึ้น ที่เยซูเนี่ยหยิบอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกอยู่เขาก็ถามว่าคนที่สาวกนี้ไม่เคยรู้แม้ว่าเขาจะรู้ว่ามีบางคนนิสัยไม่ดีนิสัม่ดีก็คือยูดาสเป็นคนที่ชอกเงินเพราะว่าเขาเป็นเหตุยิ้มผายการเงินนะเขาก็ยักเอาเงินไปขโมยเงินของคนอื่นว่าถึงแม้ว่าจะขโมยเงินนะมีบ่อแต่สาวกทุกคนเนี่ยนะก็มไม่ไม่เคยถ้าเราเป็นยูดาสเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นยูดาสแต่มีความรู้สึกไงบ้างครับอาจจะมีความรู้สึกว่า ไม่กล้าสู้สตาในใจเขาเนี่ยคิดอยู่แล้เดี๋ยวไปที่นะครับเขาบอกว่าในบันที่สองของเรื่องเขาจะเห็นภาพสองภาพนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยภาพแรกคือภาพที่พระเยซูกับเหล่าสาวกนั้นทาพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตเขาเห็นไหมพระเยซูหักขนมปังนะฮะพระเยซูยกแก้วขึ้นแล้วก็ดื่มนี่คือพันธสัญญาใหม่ ในขณะที่ยูดาสเนี่ยออกไปแล้วก็ไปทำนะครับเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราระลึกไว้เสมอว่าความบาปนะครับแต่ผลทางที่ความบาปจะต้องฆ่าตรวตายนี่ผมพูดแล้วครับบาปเล็กเนี่ยนำไปชูบาปใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนีื่เพราะถ้าไม่ตัดตอนต้นนะครับไม่ตัดตอนตรงต้นเนี่ยมันจะขยายวัที่4ี่นะครับเขาบอกว่าชีวิตของยูดาสเนี่ยเคยมีนาน่าที่รับผิดชอบสําคัญคือเขาเป็นเพนยิปของโบสถ์นี่นะไอนะครับนี เฮเลนิคเนี่ยใน12คนหน้าที่รับผิดชอบพอสมควรไปได้ที่ยูดาสเนี่ยมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยก็จะมาจากมาจากครอบครัวที่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ครับไม่มีชาวโลกคนใดสังเกตเห็นเลยแล้วเสร็จได้รับการล้างเทา้าจากพระเยซูนะก่ อ, อนหน้านั้นเนี่ยพระเยซูล้างเทา้าเราลองนึกถึงภาพสายตาสายพระเนตรของเขาคิดที่แง้มองดูยูดสสาสขณะที่พระองค์ล้างก็ เ, เห็นภาพไปนะครับเพราะถ้าพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วพระเยซูไม่ใช่พระเยซูก็ได้ผมเนี่ย เอาน้ำแล้วมาล้างค้ายพวกท่านเนี่ยพวกท่านก็คงไอ้ีพระเยซูน ะ, ะยูดสเนียตรงนี้เขาเขาพูดถึงภาพนะ ว, ว่าลองคิดถึงสายพระเนตรของพระเยซูซึ่งแง้มมองดูยูดาสมองด้วยนะครับมองด้วยความปรารถนาดีครับแในพระธรมยอห์เนี่ยบอกว่าพระเยซูเอาขนมปังจิ้มแ้ําหนุนและเยอเนี่ยยูดาสก่อนที่เขาจะออกไปเป็นเครื่องหมายของการให้เกียรติพระเยซูเนี่ยคอยเขานะครับ คอยเขาให้เขากลับใจหน้าที่ร้างเท้าเนี่ยพลอตนะครับพลอตของการโทรยกเนี่ยเกิดขึ้นรางเท้าก็ไม่หายจิ้มเอาขนมปังจิ้มน้ำมงุนยืนให้ก็ไม่หายเปลี่ยนไม่กลับใจเสร็จแล้วอะไรครับความโลค ก, ก็พาเขาให้ถลำลึกเกินกว่าที่เขาจะลึกได้ก่อนบันทึกเลยนะครับว่าทันทีที่อยู่กินขนมปังนะั้นอะไรครับซาตานก็ น้องเปิดนะคในพระธรรมยอห์นท 23, ีสิบสามข้อิท่านอ่านได้ไหมครับอ่านใต่ไม้ด้วย27บเพครับคอยสังเกตใช้คาว่าซาตานเะนี่ย enter แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคริสเตียนเรา น, นะครับคริสเตียนเราการบริสุทธิ์อยู่ในเราเนี่ย Christ in เนี่ยหรือ The Holy Spirit เนี่ยนะครับ dwells in มาซาตานอยู่ไม่ได้นะครับมารซาตานมันเข้ามาแทรกไม่ได้นะครับนะเพราะว่าในห้องเดียวเนี่ยจะมี2อง เจ้านาย2 อ, องค์ได้ไหมมี2อคิงใช่ไหมไม่ได้นะในห้องหนึ่งก็หมายความว่าในร่างกายของเราชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีคิงเดียวก็คือมีผ้าพักฉันเดียวมีจอมเจ้านายอยู่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมารซาตาน ไ, ไม่สามารถเอนเตอร์เข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเราได้นะนะครับแปลว่าพระพริตตอเ น, นี่ยใช้คําว่าสิง์เลยครับคือมารซาตานเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตของนั่นหมายความว่ายูดาสเนี่ยยังไม่มีความรอดนะ มนานชตาเนี่ยจึงจึงและในที่สุดเนี่ยมนานชตาก็ทําหน้าที่ของมันสําเร็จถ้าเราอ่านไปปุ๊บเนี่ยหลายหลที่นะครับบอกว่ายสกลับใจกลับใจนี่ไม่ได้หมายความว่ากลับใจแบบเรานะสีขั้นตอนไม่ใช่นะครับ mm hmm. เขากลับใจคือว่าเขาก็เสียใจว่าเขาทําผิดไปแต่เขาไม่ได้กลับมาหาพระเยซูนะแต่เปโตรเนี่ยปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งใช่ไหมครับแต่เข า, าไงครับ mm hmm. เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เขากลับใจและกลับมาหาพระเยซูดังนั้นการกลับใจเนี่ย นะครับมันจะเกิดผลสมบูรณ์ก็คือว่าพวกเขาจะต้องอะไรครับคนคนนั้นจะต้องกลับมาหาพระเยซูอรับนี่ก็คือการกลับใจที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับที่พูดถึงว่าเอออ่ะโอเคคุณไปเ่จะกับมาหาพระเยซูเยซูนั้นเป็นผู้เดียวเท่านั้นนะครับใช่ไหมครับที่เมื่อวานเราบอกว่าพระองค์เนี่ยจะเป็นผู้ที่นําเราขึ้นสู่พระบิดาครับต่อไปครับจากการบริยศนะครับเราก็มาสู่หวัวข้ออีกหวัวข้อหนึ่งก็คือที่คาว่าเกสเทมนนเนี่ยแปลว่า oil press นะครับ oil press นี่แปลว่าที่คันน้ำมนน้ำมันอะไรครับน้ำมันที่ดีที่สุดในโลกคือน้ำมันจะเป็นไม่รู้ Extra Virgin หรือเปล่านะแต่แค่มีน้องไปเห็นหินนะครับของเขาเนี่ยใส่ไอ้ไอ้ผลนักกอบเรียกเพเชอร์เนี่ยยิ่งอ่าผลกบที่ดีนะครับเพเชอร์ <pressure S 2> มากนะครับยิ่งก้อนหินใหญ่ ได้น้ำมันที่บริสุทธิ์ครับก็มีมะกอกเยอะแต่ไม่มีบล็อกอายนะในสวนเกศสมณีนะครับพระเยซูได้ทรงปลั่งสู้อธิษฐานในสวนเกศสมณีอยากจะให้พี่น้องเปิดดูนะครับในตอนที่เดียวแต่ว่าอักทิวมลมละโกและลูกาบันทึกหมดเลยเรื่องราวที่พูดถึงเรื่องในสวนเกศสมณีต้องลองลองให้นะครับใครแจ็ปตัว เป็นลูกาก็อยู่ในบทที่2ี่องข้อที่สามเ้าเป็นมันทธิวก็อยู่ดูเหมือนว่าพี่น้องที่เป็นคริสเตียนมาหลายปีเนี่ยก็จะรู้ว่าพระเยซูอธิฐานบ้นาพระเยซูอธิฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยให้ด้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดตอในในข้อสามครับ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกําลังพระองค์นี่ก็จะเป็นคําสอนของว่าคําสอนที่บอกว่าการที่เราอธิษฐานแล้วจะเป็นอย่างน้ไรที่เกิดขึ้นกับพระเยซูในสวนเกสเม่ถ้าเราถอยกลับไปดูอ้อนเลยตอนที่พระเยซูจะเข้ามาสู่การตอนที่พระเยซูจะเทศนาสั่งสอนพระเยรานและ มีมารสาตานมาประจนถึง3หลังจากที่มารสาตานมาประจนถึง3รอบแล้วนะครับพระเยซูชนะตลอดตลอดทุกแพกรรม ก, การยังไม่ได้ชูมือครับถ้าชกกัน3ยกพุ๊นีชนะปุกนี้กรรม ก, การต้องชูมือใช่ไหมชนะอันนีแ้แพไปล้เลิในพระัมพีนะครับพี่น้องดูในมัทิวอะไรครับครับข้อ11กาบที่สีครับกบที่4 ข้อ11พี่น้องดูนะครับใครที่เปิดมัททีวบที่4ก็แล้วมาจึงลากพระองค์ไปและมีพวกมีเหล่าทูตสวรรค์ม า, มาโอนิบัตนก็เห็นฉากนี้เป็นฉากเดียวกันกับครับพี่น้องเปิดไปดูในลูกกาบที่4กาบที่4ข้อ13กาบที่4ข้อ13ครับหากก็คือว่าโอกาสหมาะพระองค์ ไปจนถึงโ็การญญามาก็อยู่ที่สวนเจ็ดสมเนนี่แหละถ้าเราดู Passion of the Christ นะครับเราไาตอนนั้นนะ่ะเขาว่าอักโคนีเพราะอะไรครับตอนหน้า น, นี่รับแบก บ, บาปของเราหรื อ, อยังรับแบก บ, บาปเร า, รออ ย, ายังอยังยังเพราะว่ายังไม่ได้เดินเข้าสู่แมงเขียใช่ไหมครับแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยนะะตอนนั้นเนี่ยขาเยี่ยรใกรมอะไรการรู้ล่วงหน้าของพระองค์ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมง จากเนี่ยอะไรแต่ความสัมพันธ์ยูของพระเจ้าหรือการรู้น่วงหน้าของพระเยซูเนี่ยนั่นแสดงว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าร้อเซในการเดียวกันเนี่ยพระเยซูเป็นมนุษย์ร้อยเอร์ซนเพราะว่าพระเยซูนะครับพระเยซูรู้ว่าความเจ็บปวดที่เกิดแต่ยังไม่สู้หรือว่ายังไม่เท่ากับความหนักหน่วงฝ่ายจิตวิญญาณจะต้องด้านหนึ่งต้องแบ่งรับความบาปจากตรงนี้เองเนี่ยทำให้อีกด้านหนึ่งก็คือว่า แต่นี่คือสิ่งที่พระเยซูไม่เคยมีปมาตั้งแต่นิรันกอการทางโลกเนี่ยถ้าเขียนเป็นเส้นกราฟนะครับจุดนั้นบนมบเขียนส ม, มชั่วโมงเนี่ยเป็นจุดเยซูถูกทอดทิ้งและไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนแต่ไหมครับไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาเพราะว่าการรวมกันเป็นหนึ่งของพระบิดาพระ บ, บุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งตลอดเวลาไม่เคยเลยที่ต่อไปใต้การถูกทอดทิ้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจนทําให้พระเยซู จนทาให้ต้องอไงครับอธิษฐานอันนี้ไม่นในการต่อรองนะครับแต่พระเยซูเนี่ยอธิษฐานามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาพุทในความปลอดแอของไม่ทําได้ไหมคําถามคือว่าพระเยซูก็รู้อยู่ในยุรู้อยู่แก่พระไทยว่าไม่ทําไม่ได้แต่นี่เป็นคําพูดหรือเป็นคําอธิษฐานที่สบา fresh ที่เป็นเลือดแต่แต่อารมณ์ต่างๆ่างนี่นะถ้าเหตุผลไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะงานนี้ไปต่อไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่านะครับเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์น้ำมาไทายของพระเจ้าอยู่เหนืออารมณ์พ้ประสงค์ของพระเจ้าอยู่เหนืออารมณ์ไปต่อแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามนะครับใจปรารถนานะครับ <S <S not my view but die view จไว้นะฮะ not my view but die ก็คือ die <thy> view ขออย่าให้เป็นไปตามใจ ปรารถนาใจอยากนะครับอารมณ์ความรู้สึก ข, ของข้าพเจ้าแต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยถ้าพระองค์ทำอย่างนี้ดีไหมบอ ก, กับพระองค์ได้นะหาที่จะเจอแบบนี้เลยบอกกับพระองค์ได้ขอให้เป็นมายเป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนั่นหมาความว่าในสวรรค์นเนี่ยนะครับน้ำพระทัยของพระองค์สําเร็จอย่างให้ทุกอย่างขอให้สําเร็จในขณะที่ ในข้อที่ในบทที่22ของดูการนะครับข้อที่41แล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตกกว้างหินตกนี่เท่าไหร่ไหมฮะเมตรมเมตรเขาบอกระยะทางเป็นแบบเนี้ยกว้างกวงวาหินตกว่าเขามีการ เ, เสนอกันนะครับว่าอยู่ในประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10แค่เป็นแค่เป็นอาจา ร, รย์เก๋ก็อาจจะ10เมตร ถ้าเป็นกาจรปุ๊กก็จะคำถามก็คือว่าคำถามก็คือว่าใครแล้วใครแหละได้ยินพระเยซูอธิษฐานใครแหละได้ยินพระเยซูอธิษฐานเป็นคำอธิษฐานที่ secret ใช่ไหมรับ very very personal ส่วนตัวมากเลยเพราะทุกคำถามที่เราตอแได้ทุกคำถามเลยเป็นซเซอร์ไชนเ น, น็ตเนี่ยก็ออาวที่ไปเนี่ยก็นอนแหละ่นอนหล แล้วใครเขียนนะครับลูกาเขียนมัตทิวเขียนมาราโกเขียนอ่าแสดงว่าใครได้ยินมาระโกมาระโกยิ่งไม่ได้ยินอย่างไรเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเยซูเอาสาวกสามคน ไ, ไ้ยินเนี่ยอันนี้อันนี้ทฤษฎีทฤษฎีใหม่นะทฤษฎีทฤษฎีโจโจสติออรี่โจ <c oughs> ง่ายโง่ยแต่ไม่ได้หมายความว่ายองจะได้ยินไงเพราะคุณคิดดูบริบทนี่นะครับมันไกลประมาณสิบห้าปีเนี่ยคนมากเลยนะ แล้วถามว่าตอนนั้นพระเยซูตะโกนหรือเปล่าพระเยซูเนี่ยร้องไายนะหนักหนาสาหัสมากเลยแค่จะพูดไม่ออกแล้วเหงื่อนี่นะออกมาเป็นกับเป็นเลือดอย่างนี้ต้องําคุณโจไปเที่ยวอิสราเอลเนี่ยว่าสวนมันเสียงกล้องหรือเปล่าไม่กล้องแน่นอนไม่กล้องแน่นอนไม่กล้องแน่นอนแล้วแล้วแล้วไอ้ต้นต้นมะไก่มันต้นกล้วยไม่ใช่สะท้อนไหมไม่ควรจะมีใครได้ยินเลยแล้วคนก็สามสี่คนแล้วก็ตงเงนหมดเลย แล้วใครเห็นว่าทูตสวรรค์มาโพนิบัติทูตจะปรากฏเป็นร่างกายหรือยังไงก็ไม่รู้ว่าเพิมีเขียนว่ามีคำตอบอยู่สองสองคำตอบครับนะคำตอบที่1ก็คือว่าไี่มีใครได้ยินหรอกแล้วไม่มีแต่ตองที่ที่น้องจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเลดเวเรชันกับอินสปิเรชันก็คือวิธีการที่พระเจ้าให้คนใช่ไหมครับว่าในขณะที่พระเจ้าเปิดเผยนะครับหรือ In นสปายคนค น, คนนั้นเนี่ยนะครับกำลังเปิดเผยกำลังอินสปายคนนั้นน่ย ก็พระวิญญาณบริสุทดก็บอกเขาคำตอบที่2 อ, อยู่ที่เน้องอยากเอเมาอูสไหมฮะเอมมอูสเนี่ยคือการปรากฏของพระเยซูใช่ไหมครับพวกสองคนที่กํำลังเดินทางไปที่เมืองเอเมาอูสแล้วตอนที่พวกเขาเนี่ยนะคุยกับพี่เยซูวันแรกๆเลยเนี่ยเขาจําพี่เยซูได้ไหมจําไม่ได้ครับแต่พระเยซูเนี่ยก็เล่าเรื่องเพราะเขาถามเขาไม่รู้จักพี่เยซูจาพี่เยซูไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไครับหมายความว่าตอนที่พี่เยซูอ ตอนที่เยซูเป็นผู้่อยความตายเนี่ยท่างของพระเยซูเนี่ยหรือไม่เป็นอัครสาวก็ได้ยินเสียงเห็นแต่มันก็ไม่แน่ครับอาจจะไปล้ออะไรครับเพราะว่าเมื่อเดินไปถึงแล้วเนี่ยพระเยซูทำอะไรเขาถึงจําได้ครับเยซูทำอะไรเขาถึงจําได้ครับพระเยซูหักขนมนบางแล้วจาได้เนี่ยที่เป็นไปได้ทั้นสองอย่างเลยนะฮะแต่นี่ก็ตามพี่น้องครับเรามาดูกาใช่ไหมฮะดูกาบทที่ไหนครับ 24. การเดินทางไปที่ในข้อที่28ครับเมื่อเขามาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงกระทำเหมือนจะทรงดำเนินเลย This is act as if he เพื่อที่ให้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยพูด่วงเหนียวและพระองค์ก็เสด็จเข้าไปเพื่อที่จะพักอยู่ด้วยกันกับเขาต่อมาเมื่อพระองค์เสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์ทรงบางโมทนารคุณแล้วผักทรงให้เขา ตาของเขาก็หายฟังและเขารู้จักและ้าพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาถ้าปัญหาไม่อยู่ที่พระเยซูปัญหาที่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะรู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วนะแล้วก็มีอีกคนถ้าคุณไม่คิดว่าเป็นผีชาวโกก็กั น, กนตอนที่พระเยซูเป็นผีเหมี่ยฟายว่าพอพระเยซูมาปรากฏปุ๊บเนี่ยเขาคิดว่าเห็นผีแต่คนที่เขาไม่เชื่อเรื่องผีตาข้าตาฟังน หมายควาว่าตอนที่เดินไปกับพี่เยซูเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับใจมันปิดมันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรถ้ากจะเยซูอ่ะฟังดูก็ ค, คล้ายคๆคล้า ย, ายแต่ว่าใจมันปิดมันรักเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีทางคือเอกชวนเขาเรียกว่า assumption หรือเขาเรียกอะไรเนะข้อสมมุติฐานพื้นฐานเลยนะครับเหมืนแรกเพราอฉะ ใ, ใจเข้าปิดเข้ามีภาษากิดใช้คําว่าอะไรครับเพราะว่าเดน The i r eyes were open ตาเปิดเนี่ยคำว่าตาเปิดเนี่ยหมายของใจเปิดก็คือการที่เขาเห็นอย่างนี้ปุกบเนี่ยที่เราเจออะไรเราเจองานหรือเจอใครทําอะไรหรือคําพูดะอะไรอย่างง่ายๆนะอาจารย์ปองทีพย์เนี่ยเขาชอบใส่เสื้อสีพอ อ, จรรอาจารย์ปงทิพต่างที่ตา่างอาจาย์งทิเนี่ยเกิดว่าไปอยู่พระเจ้าก่อนผมนะไปเกิดแกไปอยู่พระเจ้าก่อนผมนะแล้วผมก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย ใส่หน้าตาคล้ายๆกันนิดใส่คิดถึง ใ, ใ, ใครครับ <S <S ผมก็คิดถึงอญญาจารย์มองทิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ า, เ, า, วาเขาคิดถึงว่าเออตอนที่เขาอยู่นี่นะครับใครที่เคยเสียบุญพ่อตาเห็นอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่บุญพ่อบุญแม่ชอบที่บินไปฮ่องกงนะครับไม่ใช่ว่าเวลาบินเนี่ไปอยู่พระเจ้านี่นะถ้าเป็นมะเร็ใช่ไหมว่าถ้าเป็นคนรุ่นนั้นน่ะนั่นที่ถูกคนอังกฤษและพวกกรงศุนยตะวันับมาห้างเข้า ที่ผมเลาให้ฟังนะครับเป็นเกรดให้ให้ให้ให้ใหี่น้องว่าท่านน่กลับไปอยู่ที่เมืองจีนรุ่นเกเนอชั่นโอเวอร์สี่ยดีกลับไปเรียนหนังสือที่เมืองจีนกออยู่เมืองจีนเนี่ยเห็นเลยครับ ว, ว่าพวกฝรั่งเนี่ยนะครับคือแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์กบฏนักมวยใช่ไหกบฏนักมวยนะพวกที่เนี่ยเขาฉายเป็นหนัง น, นนะะหนังพวกก็คือว่าพอข่านรุ่นนั้นไปมันกีรุ่นเรสการ์ดเรสการ์ดก็ลังพวกพกตน้องอยากลองมาใช่ป่ฮะ พวกานที่ยิ่งใหญ่มากพอพอกับออฮิตเลอร์ท่ายิวยนะพวกนี้ยทำให้คนไท ย, ยที่เป็นลูกจีนเนี่ยกลับไปอยู่เมืองจีนเนี่ยเกรียดฝรั่งมากเลยเกลียดฝรั่งมากนะแล้วก็กลับมาถึงเน่แกก็ก็เป็นคนเนี่ยเนี่ยนะอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยทุกกลับมาจากตะวันตกและแผ่นดินพืนดินนั่นคือเกาะฮ่องกงฮ่องกงเนี่ย เป็นสิ่งที่เทจีเนี่ยขายได้ที่สุดเาอะไรครับอังกฤษเนี่ยทำสัญญาเช่าเก้าสบเก้าปีมาเก้าเนี่ยคืนไปก่อนแล้วมาเก้าคืนไปก่อนโกเดเกตคืนไปหมดแล้วคืนหมดแล้วคืนหม ด, หมดสมบัติชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในมือของคนต่างชาติคือฮ่องกงเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็อยากจะอยู่จนถึงเก้าเก้ากแกจากไปเนี่ยหนึง่งเก้าเก้าสามเพราะฉะนั้นเนี่ยโหครั้งเลยที่มีข่าวเนี่ย เหตุการณ์แบบนี้มันเผอิ่ให้ทำให้แล้วแต่ใครจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นปมแบบเดียวนะครับเรื่องนี้ก็คือเมื่อพระเยซูถักขนมปังปั๊บนี่นะเป็นไงฮะตาเขาเนี่ยหายเลยคือใจเขาเปิดทันทีแล้วเขารู้ว่านี่เป็นไข่เห็นไหมครับทําไมผมเน้นจุดนี้ครับเพราะว่านี่คือพิธีศีลยอะไรก็ตามเนี่ยพอเราเห็นบางสิ่งบอย่างพุกบนี่การกินขนมปังออกแบ่งขนมปังออกนะครับข้อสามสองนะครับ เขาจึงพูดกันว่าใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อโครมตรัสกับเราตามทางเมื่อทรงอธิบายี่น้องฟังนนะีเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือคําถามก็คือว่าพระคัมภีร์ไหนครับพระคัมภีร์ไหนครับที่น้องเปิดไปในมัทธิวรครับก็จะเห็นมารโกรครับก็จะเห็นอ้อยกล่าวมาที่ข้อ27ของลูกาบทที่24ก็จะพระคัมภีร์อะไรครับกัง พระคัมภีรที่หมายถึงพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์เดิมที่เกี่ยวข้องกับใครครับย่อที่ข้อยี่สิบพระองค์จึงทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระว่านะการบอกว่าพระเยซูเนี่ยไล่เดียงเงินฮนะเหมือนกับที่โมืห้มาตั้งแต่ั้งนี้พระเยซูไล่ตั้งแต่เลยครับโมเสสและอาจจะเกิดการเร้าร้อนพี่น้องเห็นไหมครับเห็นเร่าร้อนไหม เวลาพระเยซูพูดนะอธิบายความนี้นะครับใจเข้าไป็นยังไงครับข้อยีิบข้อสามสิสองครับเขาพูดกันว่าใจเราเป็นเราอะไรครับเ ร, าร่เราร้อนมาก ร, าร้อนมากแต่ยังแม้กระ น, นั้นก็ยังไม่ไม่เห็นคว เ, เกิดเทียนนะครับเวลาไม่ได้ถูกยกใจจะต้องถูกเปิดขึ้นผมอยากบอกกับพี่น้องส่วนเวลาที่เรานำสารพระเจ้าในสิ่งที่สารพยโทษจากพระโอรสว่าเราจะมาโบสเนี่ยเราจะได้นะครับครับ เดี๋ยวครับเราพิจหน้าต่อไปครับลูกกาบอกกับเรานะครับหน้า34ลู ก, ก้าบอกกับเราว่าเมื่อมาทดลองทุกอย่างหมดแล้วก็ละไปใช่ไหมครับเนี่ยผมอธิบายไปแล้วก็วหน้าที่สองครับของหน้าที่34มาอธิบายที่ว่าโศกเศร้าและทุกข์ใจอย่างยิ่งนี่คือสิ่งเยซูใช้นะครับพระพีบรรยายว่าความโศกเศร้าและทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับพระเยซูในภาษากรีกเนี่ยมีความหมายว่าไกลบ้านพอไกลบ้านพวกเนี่ยมีความรู้สึกว่าไกลบ้านเนี่ย พระเยซูเนี่ยเสด็จมาแแแต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์นั้นนะพระเยซูเสด็จมาบ้านเมืองของพระองค์นี่คือบ้านเมืองของพระองค์โลกนี่พระเจ้าทรงสร้างใช่ไหมครับเรลองอโลกมีข้อพระบิดะนี่โลกนี้ของพระเยซูพระเยซูทรงสร้างโลกนี้พระเยซูเสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองความสึกถูกทอดทิ้งองค์ทราบว่าสาวกของพรองค์จะทิ้งพระองค์ไปอยู่กับพระองค์เลยทุกเว้นอยู่คนเดียวเท่านั้นคือ ย อ, อเนี่ยน ะ, นะรับสิทธิพิเศษไปยืนอยู่ใต้ไม้กันเขนพร้อมกับพึ่งแม่ของพระเยซูและผู้หญิงนอกนั้นเนี่ยนะครับทิ้งพระเยซูหมด10บคนที่เหลือนี่นะครับคือภาวะไกลบ้านนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความมืดมิดอันน่าสะพรึงกลัวที่สุดจนกระทั่งพระองค์ต้องร้องด้วยความโดดเดี่ยวว่านะครับเอีเอลีอละมาชบาคาดีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพ ร, พระองค์ เหตุไหนหทําไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข่าพระองค์เสียครับเข้ามาในหัวข้อต่อไปขอให้ขอโปรดให้ช่วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข่าพระ อ, อ, องค์เถิดอธิยศยนี้บันทึกคําตัดของพระองค์ว่าเราจะไม่ดื่มถ้วยที่พระบิดาประทานให้แก่เราหรือไม่ใช่ไหครับพระองค์ยินดีทําที่ดื่มนะครับแต่ธรรมชาติของพระองค์วงความทุกข์และความหวาดกลัวที่ต้องถูกแยกจากพระเจ้าเมื่อกี้นี้อาจารย์โจบอกครับความทุกข์ทรมานใจของพระคริษ ไม่ได้ขัดแย้งกับความปรารถนาของพระองค์ที่จะทาตามในพระธรรมเลวินิตินะครับเรามีเครื่องบูชาอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเครื่องบูชาลบบาปซึ่งต้องมีการหลั่งเลือดซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะครับสวันที่แล้วเนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญของการไถ่บาปพี่น้องผมทบทวนกครั้งหนึ่งความรอดคืออะไรครับความรอดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูทำแต่การไถ่บาปโฟกัสอยู่ที่ ท้ายกังเขนแลการสิ้นพระชนการหาลังพระโลหิตของพระองค์เขาบอกว่านี่แหละคือหัวใจสําคัญของความทุกข์ทรมารนะครับแม้ว่าพระองค์รู้ว่าท้าที่สุดนั้นทุกสิ่งจะกลับกลายเป็นดีก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับบัรทัที่หกบัรทัที่จักข้างล่างครับแต่พระองค์ก็จําเป็นต้องมองข้ามความรู้นี้ไปไม่ใช่นั้นพระองค์ก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติบาปที่แท้เราะไม่เพียงแต่พระองค์จะแบกรับความบาปแทนเราพระองค์ก็ยังถูกกระทาให้เป็นคนบาป เพราะเห็นแก่เราทรงถูกทําให้เป็นบนภูเขากอลัฟโคทานั้นพระบุตรของพระเจ้าจําเป็นจะต้องถูกตัดขาดจากความรักและการสถิตยอยู่ด้วยของพระบิดาอย่างชิ้นเชิงทาให้การไถ่าบาปมนุษย์สําเร็จลงได้เวลาคงผ่านไปหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงที่พระเยซูให้เฝ้าดูพวกสาวกหลักยองเมเวลที่เยซูมานะพระเยซูเหนื่อยและพระเยซูก็เห็นสาวกการเฝ้าดูสาวกหลักเักอย่างยิ่งกลับไปทานมาอาหลักนะ ตอนหลังสุดท้ายแล้วก็คื่อยมาได้ไม่ให้หลับให้ลเลยฮะเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ร่างกายเป็นไฮะกินยาเป็นไ ง, ไ ง, ง, ไงเข้มแข็งก็จริงแจ่ร่างกายนี้ยังห อ, อน่าสามสามาถึงการพิพากษาของพระเยซูผมจะไปเร็วแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยนะครับผมเป็นคนเทศผมก็การยักเยียดข้อหากบฏนะรารตัดสินพิพากษาสิ่งที่ผมอยากจะเน้นนะครับในทางของหน้า35สหเยซตูตอบสนองนะครับ ประกาศนี่ทรงยอหน้านี่นะครแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงใช้ความชั่วร้ายที่มีอยู่ในมนุษย์ทำให้พระประสงค์ของแต่ไหมครับรเจ้าใช้ฟารโรห์ได้อย่างไงนะครับเจ้าใช้อยูไ่ไดได้เจ้าใช้ปูโรหิตได้เจ้าใช้แม้แต่มารเจ้าใช้ความชั่วร้ายขจัดความชั่วชั่วร้ายเจ้าใช้ความชั่วร้ายในตัวของมนุษย์นั้นให้พระประสงค์เรื่องการไถ่บาปาและความรอดนิรันนั้นสําเร็จอันนี้พบในพระธรรมปิจการดกศ27 2นะที่ต้องกลับไปอ่านนะครับ แน่นอนว่าพระเยซูจจตูลขอพระบิดาให้ประธานทูตสวรรค์มากกว่า12บสององพลมารับขึ้นสู่สวรรค์หรือมาต่อสู้ได้แต่สิ่งที่พระเยซูทำคื อ, อรครับนิ่งเช้ากับลูกแกะที่นิ่งน้องจำได้ไหมครับอยู่ในพระธรรมอิสยาหบทที่53เนี่ยพระเยซูนะนิ่งนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตักครับพระเยซูรรยทรงรับเอาความผิดบาป ท, ทั้งสิ้นของโลกและความบาปนั้นเองที่ปิดปากของเราทุกคนเพราะอะไรครับพูดไม่ออกก็ เราไม่สามารถที่จะจ่ายค่าจ้างนี้ได้แล้วพระเยซูกำลังจ่ายค่าจ้างเราแล้วเราบอกว่าพระองค์ไม่ต้องจ่ายหรอบอกเลยนะพระเยซูกำลังครับถามว่าพระเยซูกแก้ต่างให้ตัวเองได้ไหมได้พระเยซูให้เรียกให้ทูตสวรรค์มาสัก12บองกองพลได้ไหมได้แต่พระเยซูนิ่งแล ะ, และเลือกที่จะถูกตัดสินว่ามีความคือสิ่งที่พระเยซูให้กับเราแต่เมื่อพระเยซูทํากับเราแล้วในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ31มสถึงสามิบแปนะครับอาทุก เปาโลนั Al ้นกล่าวว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พระเจ้าอยู่ในฝ่ายเราใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าเลือกไว้ได้ใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าเลือกไว้ได้พี่น้องรจะฟ้องพวกเราครับถ้าใครเป็นผู้ร้อผู้ฟ้องใครเป็นพวกขี้ฟ้องตาตาเนี่ยมนฟ้องเราตลอดเวลานี่เหรอลูกของพระเจ้าลูกพระเจ้าทําอย่างนี้เหรอลูกพระเจ้าทำอย่างนี้เหรอเสียชื่อพ่อหมดแล้วนี่ฟ้อใครไม่ฟ้องเราเนี่ยฟ้องพระเจ้าเนี่ยพระองค์เจ้าค่ะ ไอ้พระธมโยบใช่ไหมครับโยบบอกเนี่ยพระองค์เนี่ยรักเขาไงเขาถึงจะได้พักดีกับพระองค์โยบพระ อ, องค์ลองไม่รักเขาสิลองส่งอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเ้าสิเขาว่าจะแฉ่งด่าพระองค์แล้วปรากฏว่าใครแฉ่งด่าพระองค์ครับเลิศสุดเลิอไปครับแข่งพระเจ้าแนละ้วไปตายเสแต่โยบบอกว่าอะไรครับเราเกิดมาตัวเปล่านะครับเราก็จะไปตัวกลานแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็อย่าง น, นตรงนี้ครับ ถามว่าถามว่า อ, องมาจากตานใครเป็นคนแก้ต่างให้ครับเปียสุบอกว่าสิ่งที่พวกเราทําเนี่ยตกอยู่กับใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกนี่แหละครับคือเหตุผลที่ท่านอาจารย์เปรโรประกาศว่านี่คือการมีชัยเหนือลน้นเรามีชัยเหนือล้นในพระเยซูนะครับและเป็นสาเหตุที่แม้ความตายหรือชีวิตหรือสิ่งใดๆที่ทรงสร้างแล้วไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้พี่น้องครับ นี่คือความมั่นใจในความรอดอแจกชีตครับได้ทำงานแล้วนะรอทำงานแล้วตนะั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพี่น้องครับภาษาอังกฤษนี่ครับ Are you s o r e uh, that you will go to heaven when you die พี่น้องใครจำพระาข้อนี้ได้ครับ <c oughs> ว่าไม่มีอะไรที่แชมป์เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้หนังสืออีกงเล่มห่างออกไแม่ ซ้ายหรือขวาจำไปถึงที่นี่เลยครับรวมที่แปดข้อต้องครับเราไปที่แปดข้อสามแปดบอกว่าอะไรครับตรงนี้ไม่ได้บอกว่าตรงนี้พี่น้องฝังยีนนะครับไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรที่ทําลายความรักของพระเจ้านะความรักของพระเจ้าทําลายไม่ได้อยู่แลแต่สิ่งที่หลายนคนสงสัยก็คือว่าความรักของพระเจ้าที่ให้กับเราแบบเพอร์ซันอลตอนเนี้ตอบชัดเจนเลยครับว่า ไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเาเรานี่หมายถึงเราแต่ละคน every every ในะ every คือเราทุกๆคนไม่มีอะไรที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้วงเล็บเราคือใครครับวงเล็บเราคือใครเราคือคนที่รับสินเราคือสมาชิกสัมรองของกิจากพัฒนาไ <c oughs> ก่ตัวละเราคือคนที่มาบสถทุกอาทิตย์ ราคือคนที่ลูกหลานพ่อแม่ถูกยัยายเป็นที่เสกเจ้าพระเจ้าเราคือคนพวกนั้นหรือเปล่าคำตอบคือเราคือคนที่บังเกิดบอกแล้วนะครับว่าคนที่บังเกิดใหม่เนี่ยมีสัมพันธภาพมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับใครครับเขากับพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีใครหรือไม่มีอะไรในโลกนี้นะครับนะหรือทั้งจักรวาลเนี่ยทำให้เราขาดจากความเป็นลูกได้ ให้คุณก็เป็นลูกอยู่ดีครับไม่ว่าคุณจะหนีไปไกลขนาดไหนเนี่ยวันที่จะกลับมาเป็นลูกของพระองค์แนหลงหายนั่นแหละไม่หลงหายยังไงเขาก็กลับมาอยู่ดีทีนี้คนที่หลงหายเนี่ยมีสองอย่างนะครับหลงหายจากโบสถ์เราก็ไม่กลับมาเลยจนทั้งเรตายแสดงว่าเพชรมาร์คว่าการเข้ามาโบสถ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้บังเกิดใหม่ครับแต่เราจะไปบอกว่าคนที่หลงหายเนี่ยเวลาเนี่ยยังไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่ได้เพราะอะไรครับเราไม่รู้ หนังยังไม่จบนะนังยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปดูคนบ้า น, นี่เราอยู่ในแขลนะครับพระมพีต่อไปนี้นะครับเมฟชัว sure, เชิญน้องนี่ได้กรุณาแปลเป็นภาษาไทยครับนะเพื่อที่เราจะอ่านง่ายๆในยอนบทที่ย้อนบทที่3ข้อ็ครับยอนบทที่3ข้ 7. อ7็นะครับบอสเซจส์อินออเดอร์ทูโก้ทูเฮเวนยูมัสบีบอสตเกนนะครับบอเกนนะหนึ่ง Right. รอบที่3าข้อเจ็ช่นาท้องกันครับบี่ใต้องาเกิดใหม่ The Bible God gives us the plan of how to be born again which means to be saved เห็น hmm. hey, คือการบอนอเกนี้นะครับทำให้เราได้รับความรอดและการบอนอเกนี่ทำให้เรามั่นใจในความรอด His plan is simple you can be saved today How? พี่น้องนำรับเชื่ อ, อยังไงพี่น้อง 1. ง my friend You must realize you are a sinner เชิญเปิดครับโรมบทที่3าข้อยิบสามขนาดครับหนึ 1, 2, 3. 3> ดด่งสอามแตทิ้งชีดนี้นะครับนี่ผมอุตส่าห์พิมพ์เป็นท่เดียวไปที่ผมซีเรมาสาแสดงว่าเราเกิน30ประการที่1นะครับถ้าเราจะนําคนรับเชื่อพระเจ้าจริงๆนะให้บังเกิดใหม่นะต้องให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนบาปนะครับโรมบทที่3าข้อยิบสท่องีเลย นะพอเวลาปล่อยปุ๊บเนี่ยมันมีคจะเปิดสมารค์ทโฟนอันคนที่สนี่เขาบอกว่าออบเจกต์ออบเจกต์ออก ค, คพรบอกอย่างนี้<ม>บอก<ม>บอย่างนี้รว ม, มาที่สาเขา่บสาไมห้องจังเลยนะรู้หมดเลยว่าอะไรก็กฝุกมาท่สาไงครับเอาใหม่ ท, มทีนึงเพราะว่าเราทุกคนนะไม่ใช่บางคนนะหรือคุณหรือผมแค่นั้นเราทุกคนคุณเชื่อไหมเกิดแต่เขาไม่เชื่อให้ําบากเลยอาทิตย์นี้คุณก็ ต้าไปเรียนกับวายเเดี๋ยวพี่ออกมาสอนไปครับ Because you are นอร n ยูอาร์คอนเจมชูเตสโรมันที่รมข้อี่สิบสาเพราะว่าค่าจ้าง<า>ไปเลยครับ<า>คือฟังใ<า>ีอา่อาอา่อา this includes eternal separation from God in hell อันนี้ชัดเจนนะครับเดนนี่คือการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันในไหนครับในนรกไป คนไม่ชอบ น, นะโรคนฮะเพราะใช่ครับต่อไปพี่น้องเพราะคำพีนะต้องฝึกเป็นสเตปนะเวลาเป็นเป็นพยานนะเดี๋ยวจะหาว่าสอบอไม่เคยสอ น, สอนจัดจักไปเลยนะครับย้อนบทที่สามข้อเ็ดมาด้วยโลมบทที่สามข้อยี่สองนาด้วยโลมบทที่6กข้อยีสามาด้วยฮีบรูบทที่9้าข้อยีครับชนะพร้อมกันครับหนึ่งสองสามี่พ่อต่อสระนะครับเปิดพคมพีนะปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กเลยนะนะ ฮีร่บทที่เก้าก็บอกว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ว่าจะต้องมีการตายครั้งเดียวหลังจากนั้นก็เจอพิพากษาเพาะชาติหน้ามีจริงเปล่าพี่น้องอยากจะกลับที่สีุ่่มไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะสนุกสนานมากเลยไหมอยากกลับสี่ทุ่มไหมไม่เอาอะไรเนี่ยอ๋อใช่แค่มีแคมีแค่มีครับต่อไปครับ b ั t God l o v e you เนี่ยพี่น้องน but God l o v e you but God l o v e you so much He gave His only begotten Son Jesus to bear your sin and die in your place. 2 t h 21ครับเชิญอ่านครับ 1.2.3 ่งสองสามราะว่าพระเจ้าทรงนำเราผู้ทรงกราบที่เราคอยดูแเราเพื่อเราจะได้จิตของพระเจ้ามาคงเรานี่คือคำตอบที่ว่าพระเยซูเนี่ยทำไมถึงตายแทนเราพระเยซูเป็นบีกอตเทนซันของพระเจ้าใช่ไหมครับที่สามารถแบกบาปและตายนะครับ รับหน้าที่หรือรับยเซฟเน่ที่ต้องตาย แ, นแทนเรานี่คือสิ่งที่เบียร์ย s h ซ s s ฮสเ d ็ดฮิส o ลักแ d นได้ฮีบรูบทที่9เข้า22ครับเชิญอ่านครับอกเคงไหนครับหนึงสองสไปครั บ, <S <S บพระพีโรมันโรมบทที่5เข้า8ครับ ก็เป็นพระอที่ยอดคิดนะครับอีกข้อต่อไปนะครับ although we cannot understand how God said my sins and your sins were l e f d upon Jesus and He died in your in our place He became our substitute God cannot lie my friend God c o m m a n d all men everywhere to repent อันนี้คือการเรียกร้องจากพระเจ้านะเพราะว่าการกลับใจใหม่เนี่ยทำให้คุณเนี่ยจะไปถึงความรอดได้และการกลับใจใหม่ตรงนี้นะครับ ก็คือว่าต้อง is a change of mind that agree with God that one is a sinner and also agree with what Jesus did for us on the cross นะครับเอาไปนะครับในกิจการบทที่16ข้อ31 331ข้าอ 33, ใ31นี่จคือคือคำพิสูจน์และท่านจะ ไปครับขัานพีตอนหนึ่งย้อนบทที่1 12ขอบอครับผู้ทอกโงผระาของโัิ น, น้บนจากที่เชื่อแล้วนะครับเราเป็นลูกของโลงก่อนนะครับลูกลูกคือทายาทลูกคือผู้รับมรดกและมรดกนั่นเป็นมรดกที่ยังมาไม่ถึงก็คือความรอดนิรันดร์แบบสมบูรณ์แบบ แต่ว่าเวลาที่เขารับเชื่อพระเจ้ชชานะเขาบังเกิดใหม่เนี่ยเขาได้รับความรอดแล้วนะครับณนะเวลานั้นหรือณนะวิธีณวินาทีนั้นเนี่ยถ้าเขาตายไปเมื่ไปไหนไปไหนครับ ไ, ไปอยู่พระเจ้ชชาครับหลังจากที่เขาบังเกิดใหม่วินาทีนั้นนะเกิดหัวใจวายพวกเนี่ยตายไหมเชื่อโรมหมดที่10บข้อสิบสามครับครับเขาหบอกพระ น, น, นามเนี่ยก็คือ ใจของเขาเนี่ยอยากจะได้พระเยซูปากของเขาเนี่ยร้องใร้ยพระเยซูเน่นเวลาที่คนต่อไปครับนี่คือ the sinner's prayer อ่านี่คือคำอธิษฐานของคนบาปที่รับความรอดนะ God be merciful to me a sinner. Oh God I know I am a sinner. I believe Jesus was my substitute when he died on the cross. I believe his shed blood death burial and Resurrection were for me. I now receive him as my savior. I thank you for the forgiveness of my sin, the of salvation and everlasting life, because of your merciful g u c e a e t ah, u t m Just take God at His word and claim His salvation by faith, b e l i e v e and you will be saved. No church, no l o r d no good works can save you. Remember, God does the saving. เอาออกีกนครับเราอ่านข้อผิตอนนะครับมาระบบที่8ข้อ36เพราะว่าถ้าผู้ใดได้สิ่งของิ้นทั้งโลกการเชิญชวนกันครับข้อผข้อหนึ่งครับ1โคลิมบทที่10ข้อ33ครับพระเจ้าจะทรงเปิดเ้ยครับงเคยลองเป็นก้อนผิวเมฆพระเจ้าจะเปิดทางตามยากลำบากกับการทดลองต่างๆเนี่ยท้อที่บทที่1ข้อ8ครับ ไปกับไปดูนิดนึงนะครับอ่เอ่อสองาขา ข, ขึ้นขึ้นขึ้นหนงคน g o trust you นะนี่มเกรมการมาหมนะมันก็ตรงกันไปหมด Don't trust your feelings they change Stand on God s promise <S เรายืนหยัดอยู่นะครับในพระวจนะพระเจ้าอยู่ในพันธสัญญาของพระองค์เพราะว่าพันธสัญญาของพระองค์และพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ย น, นครับ <Yeah. S 1> พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย แต่มนุษย์นี่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ไปตามเรื่องราวไปตามสถานการณ์ไปตา ม, ตามอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเราอาจจะหวังในตัวบุคคลบางคนเราศรัทธาเขาเราไว้ใจเขาแต่มีวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะไว้ใจวา ง, งใจในคนเราช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองนะครับเขาบอกเขาเสนอเนะี after you are s a f e There are three things to practice daily for spiritual growth หนึ่งคือพระสคือ Read your Bible 3. คือ witness เป็นพยานเพรื Pray คือการพูดกับพระเจ้า Read your Bible คือการฟังพระเจ้าและ witness คือออกบกก่อนเขาใช้คำว่านี่ครับพี่น้องเก็บไว้ดีๆนะไปเป็นพยานนะพี่แหน่สเสด็จครับเอาละครับเราเข้ามาถึงโค้งสุดท้ายเหมือนกันนะครับ พรีแบบเร็วนะหน้าสาเราจะเห็นนะครับว่าตรงย่อหน้าที่สองนะครับที่ว่าฮีบรูบอกเราว่าในฮีบรูบทที่1ข้อหนึ่งนะครับบอกกับเราว่าในบรรจมกาลหรือว่านานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราหลายครั้งและหลายวิธีผ่านทางผู้แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางใครครับผ่านทางพระบุตรคือพระเยซูนะครับแล้วแต่ละครั้งที่พระเจ้าเปิดเผยนะครับใน ในอดีตเนี่ยนะครับเปิดเผยแต่ไม่มีครั้งใดที่สมบูรณ์แบบแอบสุดนะครับจนกระทั่งมาถึงพระเยซูการเปิดเผยทุกอย่างนั้นก็มาถึงสุดท้ายคือแอ บ, บสุดนะครับไม่มีความจริงแพ้งเราเห็นนะครับความพยายามในพ่อพรีเดิม2รูปแบบ1คืออะไรครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องบาปคือหนึคือปูโรหิตสคือผู้เผยเพระเจ้นะีผมพูดสั้นๆนะครับให้เราเข้าใจนะครับปูโรหิตและผู้เผยเพระเน้านะครับ เป็นทั้งสองอย่างที่แก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวเพราะระบบปูโลหิตก็คือระบบการถวายบูชาเราเห็นว่าเลือดของอวัวของแพะของแกะนี่นะครับไม่สามารถลบล้างความผิดตลอดไปได้แต่ในทางกลับกันพระโลหิตของพระเยซูเองนะครับลบล้างความผิดทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเติมเฟลแต่เลาผู้โลหิตใหม่คือผู้เผยวจนะก็เหมือนกันครับรำพยากรของผู้เผยพเจ้านั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงใจของมนุษย์ได้มีทางเดียวก็นั้นก็คือ ข่าวประเสริฐกอสเปิลนะครับหรือพระกิติคุณเนี่ยนะครับที่เกิดจากผู้เผยพรนะระบบใหม่คือใครครับพระเยซูพระเยซูเนี่ยเป็นผู้เผยพระณาใช่ไหมครับที่จะนำข่าวดีมาถึงมนุษย์ทำให้ข่าวดีทั้งหลายที่ผู้เผยนะในอดีตนะครับล้วนได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์นะรนะเราเห็นตรงนี้ระบบ2ระบบเนี่ยนะครับที่มาในระมบบีเดิม สําเร็จที่พระเยซูคือรัแพ้ระบบผู้เผยชนะเขาบอกว่าการถวายบูชานะ่ะชี้ให้เห็นถึงแง่มุมด้านลบของปัญหาแต่การเผยพจะชนะเนี่ยทาให้เห็นด้านบวกการถวายบูชาได้เฉลยการลงโทษผู้เผยพระชนะทําให้เห็นการแก้ไขนั่นการไถ่ที่สมบูรณ์นะครับกล้องเลยครับมีละผู้เผยพระชนะก็คือพระเยซูภาพสมบูรณ์ครับหน้าสามสิบเกียรติหน้าสามเกียรตั้นๆันปาบคืออะไรครับ แท้จริงแล้วแบบนั้นในภาษาฮิบรูนะมีหลายคำแต่นี่เป็นภาษากรีกฮามาเทียแปลว่าจริงเดือมากมิสิงเดือมากคือภาดเป้าภลาดเป้า <c oughs> ก็อีกคำหนึ่งคือว่าอาโนเมียไม่แอนิเมียนะอาโนเมียแปลว่าอะไรครับโนมอสแปลว่าปัญญานโนมอสหรืออาโนเมียแปลว่าว่าร less ไม่มีแทจริงพระเจ้ามีกฎหมายให้เราอยู่ในหัวใจ เขาเรียกว่าอะไรครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับพระฉายของพระเจา้าพระฉายเยอะนะถ้าพระฉายเยอะนะคนนั้นมีถ้าพระฉายน้อยคนนั้นมีจิตสํานึกต่ํามิจะได้ทำงานแต่วันนี้ไม่มีลาแต่ก็จะบอกว่าความหมายของคําว่าความบาปคือตกจากมาตรฐานของพระองค์เขาคิดถึงคำว่าฮามาเทียในภาษาเดิมก็คือเหมือนกับคนที่ดาวิดเนะีเวลาที่เขาเอีงเอียงก้อนฟัวด์อะ พวกเดียวเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ที่หน้าผาของโกลิอารเลยนั่นแหะคือตรงเป้าและในเพื่อพีนะมีบอกนะพวกที่ชํานาญถึงการเหวี่ยงเนี่ยนะก็คือว่าเขายังมีทีมเหวี่ยงเขาในในเพื่อนีเนี่ยมีบันทึกเหวี่ยงนะครับก็คือพวกพวกพวกพวกนี <t ark tr unk> ่ถ <t ark rit> <t ark rit> ูกหมดเลยแช่วหมฮามาทียปปุ๊บเนี่ยแปลว่าอะไรครับ Miss ิสเดมาร์กก็คือในเพื่อพีใหม่นะครับใช้ใช้ภาพของคนที่ยิงธนูธูเนี่ยเข้าเข้าตรงจุดดําเลยเนี่ยถือว่า แค่ออกนอกจุดดาลุกเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนก็นแล้วแต่นั่นคืออะไรครับนั่นคือมาตรฐานที่พระเจ้าตั้งกับมนุษย์นี่นะครับถ้าพราเจ้าตั้งให้คุณชีวิตของคุณเ네นี่ยโฟกัสอยู่ในที่สุดเนี่ยคุณต้องเดินจริงจุดนี้แต่คุณไปไม่ได้ะครับเรื่องนี้พระเจ้าต้องการให้เป็นแบบนี้แต่คุณไปไม่ได้ น, ะนี่คือบาปก็คือพูดง่ายว่าอะไรที่ไม่ใช่น้ำมัทไทยพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าไม่อยู่ในกฎเกณฑ์พระเจ้าบาปเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้นี่ใครเนไหม ไี่มีอโนโมอสเหมือนกันครับอโนเมียก็เหมือนกัโนโก น, กนะพระเจ้าเนี่ยวางจิตสํานึกที่ดีที่สุดอยู่นะไม่มีเพราะชนะเลยนะครับทีนี้ตรงนี้เลยครับการที่พี่น้องฟังดีนะแล้วก็ผมจะอ่านไปเรื่อยๆพี่น้องลืมไปก็ไม่เป็นไรไปเปิดฟังที่บ้านนะครับเพราะเยซู ร, รับสภาพเหมือนเราทุกอย่างตั้งแต่ต้นนะฮะได้เกิดมาในโลกนี้รับบาปมาเพื่อเราถูกทดลองเพื่อเราใช้ชีวิตพื่เพื่อเรา ถูกพิพากษาเพื่อเรารับข้อกล่าวหาแทนเราทนทุกข์ทรมาและตายเพื่อเราเสด็จไปยังที่มืดมิดเพราะเห็นแก่เราและทรงเป็นที่มีความตายเพื่อเราโดยทางการตายบนไม้กางเขนการงาน<ม>ที่น้องเห็นไหมครับการงานเขาการงานทั้งสิ้นของพระองค์ก็ได้ให้กับเราแล้วเขาเรียกว่า the complete work of Jesus Christ mm hmm. ก็คือว่า นั่นคือการเสร็จสิ้นการงานของพระเยซูแล้วเวลาพระเยซูหลวงกันมันเขียนใช่ไหมพระองค์ว่า it is finished ก็คือว่าสําเร็จแล้วนะครับนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยคอมพิลต์หมดการของพระเจ้าในการช่วยให้รอดนะของพระเยซูเนี่ยคอมพลต์หมดแล้วครับจากการที่พระเยซูทรงเชื่อการเป็นผู้มีความตายแต่ที่บอกว่านี่คือหัวใจของพระกิตติคุณและข่าวประเสริฐถ้าหากว่าคนคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามาเชื่อพระเจ้าเลยแล้วไม่รู้เรื่องนี้นะ รูเรื่องนี้นะใครจะรับผิดชอบครับถ้าคนมาเชื่อพระเจ้าแล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้นะใคระรับผิดชอบครับกล่องใครที่ไม่รู้เรื่องนี้มาเชื่อพระเจ้าแล้วไม่รู้เรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบครับอย่างโกรนะบ้านไร้ครอบครัวพูไงๆว่าใครเป็นคริสเตียนเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบหมดงานเข้าเลยทีนี้เราก็ไม่สามารถที่จะให้ขอโทษ น, นะครับให้ปักกิศมาเนี่ยซีซัวได้ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่มาถึงตรงนี้ไม่เห็น complete work of Christ ที่ทำได้เขาก็รับไปแบบสุ่มสีุ่่มหไม่รู้เรื่องนั่นคือเรากำลังทำผิดต่อพระโลหิตของเราถึงไม่ยอมเราถึงไม่ยอมให้คนที่ยังไม่รับศีลเนี่ยรับกินศีลเนี่ย้อเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเขากินแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบางคนป่วย และไม่สบายบางคนก็ล่วงหลังแน่นอะไรนี่แค่ศีลจำลึกนะถ้าศีลปรกิจมาเนี่ยไม่ลายกว่าเหรอผมบอกให้ว่าที่เราทําอย่างเนี้ยถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าพอคนเชื่อปุ๊บอาทิตย์หน้ารับศีลเลยขอโทษไม่ใช่นะครับเพราะเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วเขาคิกว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้วแต่จริงไม่ใช่เขาเพียงแต่ก้าวแลหกเองเมื่อรับยังไม่รู้รับเชื่อจริงหรือเปล่าเลยไม่ว่ารับเชื่อคืออะไรจริงเลยไม่รู้ว่าการกลับใจใหม่เป็นไง แล้วพี่เอชวนทําะไรกับเขายี่ไม่รู้เลยรับสินแล้วต้องครับสองเท่าไม่ถึงเจ็ดเท่าสองเท่าสองเท่าเลยครับรับไปเต็มเต็มเลยครับรับไปเต็มเต็มผมเนี่รับเต็มเต็มผมเนี่ยนะฮะรับรับเต็มเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมม า, าพามาที่น้องอยู่ว่าอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้เหตุการณ์แบบเนี้เกิดขึ้นในโบทของเราก็คือว่า คนรับเด็กที่มารับศีลเด็กเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องแล้วเพรา ะ, ราะมันเป็นความเก็บชัำและกรรมใจของผมไมมใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินไปแล้วนะประกอบพิธีก็ประกอบไปแล้วแต่ว่าถ้าว่าหายไปหายไปหายไปอย่างเงี้ยเอาละครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายห้าสามสิบแปดครับวข้อ็การไถ่อันแสนน่ารย์ การถ่ยอันแสนอัศจรรย์ภาพ3าภาพที่แสดงให้เห็นเราแม่งแง่บุกต่างของแผนการถ่ยบาปพระเจ้านะนี่นี่นี่มาแบบสรุปนะครับภาพแรกคือการตามแกะที่หลงหายนี่ทำดูการบทที่15บห้าข้อหข้อ7นะครับพเยซูเนี่ยผู้เลี้ยงแกะรักแกะของพระองค์พูดง่ายว่าถ้าเป็นเรานะเสียไปตัวยอมรัยอมรับได้ไหมแต่พี่เยซูเนี่ยไม่ยอมรับเลยไงวะ ถ้าใครก็ตามนี่นะที่พระเยซูเลือกไว้แล้วเนี่ยนะพระเยซูไม่ปล่อยนะเห็นที่คุณค่าของหนึ่งใน99้หนึ่งในร้อยนะหนึ่งในร้อพระเยซูก็ไม่ไม่ปล่อยกับอันที่สองครับเราเห็นความรักนะครับอันที่สองเราเห็นชัยชนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองเราไม่มีเราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะชนะศัตรูของเราได้แต่อะไรครับพระเยซูเนี่ยทรงชนะแล้วแล้ว และเราตามพระองค์เข้าสู่ชัยชนะนั้นด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานีหลังจากที่พระเยซูชนะแล้วเราจะมีชัยชนะในชีวิตของเราด้วยอาเมนครับอเมนนะเพราะอะไรครับเราสามารถชนะบาปได้เราไม่สามารถเราแต่เดิมเนี่ยเราไม่สามารถชนะมันได้เพราะเราอยู่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของบาปเพราเราเป็นคนบาปต่อไปนี้เราไม่เป็นคนบาปแล้วแต่ไม่เป็นคนบาปเรายังทําบาปอยู่อย่างไม่ตั้งใจเรายังทําบาปอยู่อย่างไม่สมองเสมอเรายังทำบาปอยู่อย่างไม่ใช่เป็นนิสัยบาป ที่น้องจำไว้นะครับถ้าเราทําอะไรแล้วเนี่ยเราทําบาปเป็นแบบนิสัยไปแล้วแสดงว่าคุณต้องกลับมาดูดชีวิตของของเราแล้วนะครับว่าเราต้องกลับใจใหม่หรือเปล่าต้องเปลี่ยนแปลงใหม่หรือเปล่าเพราะว่าลูกของพระเจ้าปกติแล้วไม่ทําบาปครับไม่ชอบบาปรังเกียจบาปทุกชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวชีว้วัดนะครับเราจะมีชัยชนะต่อบาปได้ดําเนินชีวิตด้วยชัยชน ะ, นะครับ victorious life เนี่ยนะ victorious life โดยพระเยะซูครับ ภาพที่สามครับภาพของการไถเราเห็นว่าพระโลหิตบถูกไถพระโลหิตถูกเทซูนะครับเป็นเหตุแห่งการไถซึ่งใช้แทนเลือดในพิธีปัสนาเล่าสู่ส้ำพันธพใหม่กับประชายนครับสุดท้ายครับสุดท้ายามาได้แล้วไงการปลุกใช้หมอ๋อนี่นอครับความเชื่อมีดีแบบเชื่อมีดีแบบ อันนี้ยังแบบชิวๆครับอาจารย์ลูกศิษย์โบสท่านาความเชื่อใช่ไหมความเชื่อมีกี่แบบครับเชื่อมีสแบบครับความเชื่อแบบแรกอยู่ในการก่อบทที่สองข้อ19การก่อบทที่2ข้อาอ่ะเรากาก่อบทที่สองข้อครับเชิญครับได้แล้วนะครับก็ผมยืนแล้วเนี่ยมันแบบเนียเชื่อแบบถ้าก็เชื่ อ, บบ อ, อเชื่อว่ามีพระเจ้า แน่นอนเขาเชื่ออยู่แล้วเขากเขา เ, เราเนี่ยเชื่อแบบนี้ได้อเปล่าเชื่อเฉยเยเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเชื่อแบบนี้เป็นความร้อมไหมครับเชื่อแบบมาราตานเนี่ยมารซานรอดไหมไม่รอดถ้าเชื่อแบบเวลาไปประกาศเออผมก็เชื่อนี้พระเจ้าไม่มีปัญหาหรอกผมเชื่อเรานะแต่อันที่2ลูกาบทที่แปดก็สิบห้าบทที่8ปดก็สห้าครับตอบได้เลยว่าเชื่อแบบไ ห, หบ น, น, รน 95, ครับ ศรัทธาหรือเลื่อมใสภาังกฤษนะครับเขาใช้คำว่า honest and good heart honest แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเขาเชื่อคุณแล้วนะยอมรับว่าคุณเป็นพระเจา้ายอมรับว่าคุณอย่างนนเลื่อมใสที่หมดว่าอย่างไรก็เชื่อเพราะบางทีว่าเป็นอย่างนี้นี้ความรอบเป็นอย่างนี้นี้เชื่อแบบศรัทธาเลื่อมใสเชื่อแบบ good heart good heart ก็คือว่าเชื่อแบบคนที่มีจวา คำนี้นะครับก็ใช้ในข้อมูลหลายอย่างแข็ว่าข้อมูลไทยแปรด้ดีเชื่อแบบเรื่องสายสะทาไปสวรรค์ไหมมันเกิดใหม่ไหมครับไม่เรื่องว่าอกว่าเรื่องไหนอันนี้เชื่อแบบเรื่องสายสะทากเนี่ยก็ดูในข้อกัมภีลูกาบทที่8ดข้อาที่เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วนะเองว่าเป็นดินที่ชนิดไหนครับเป็นดินชนิดที่4แล้วใช่ไหม ยังเป็นวันได้ไหมไ ด, ได้โอเคต้อมีบู๊ด3ามาดิ น, นี่นะครับอันที่สนะครับเดี๋ยวอันนี้เรียกว่าใช่มเชื่อแบบวางใจงพ้อมีย้อนบทที่12บข้อสี่ีอ่าน้องหญิงอ่านแบทบที่12บสอข้อี่สแบบีครับาเรียกว่าเชื่อแบบนะครับวางใจใช่ทำตาม แกเกรู้ไหมเขเริ่มเยี่ยมไทยไปฟังเลคเชอร์หนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยย้อนส2 4อครับความใจแปลว่าอะไร trust เนี่ยคลาสคลาสแปลว่ารู้จากบริษัทคลาสไหม้าทำธุรการเงินใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยมันมีบริษัท trust บริษัท t r u s เนี่ยคือบริษัทที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปฝากเขาไว้โดยที่เราวางใจว่าเขาเนี่ยจะเอาเงินเราไปลงทุนแล้วก็ ให้ดอกเบี้ยเรามากกว่าธนาคารธรรมดาทัสมันอันทัสันไปแล้วเพราะมันเจ๊งไปหมดเลยเนี่ยมันเอาเงินเราในคำว่าทัสมันคืออะไรครับเราฝากหัวใจไว้กับเขาเงินของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาเงินไปฝากทัสนะหัวใจของคุณก็ฝากไว้ที่ถ้าเราเอาเงินไปฝากไว้กับพระเจ้าพระเยซูเราก็เป็นไงครับแต่ว่าหัวใจของเราไปอยู่กับพระเยซูบ้นะครับเพราะเยซูบอกว่าจงสั่มสมทรัพสมบัติบน สวรรค์ที่อะไรครับไม่มีคขโมยมาเจอะช่องไม่มีมาแรงมาไม่มีใครมุดลักออกไปได้ลองใชครับฝากแบงค์สวรรค์ดีกว่าหลายคนบอกไม่เอาเจนขอเอาโปรเจกต์แค่โปรเจกต์นะเอาเงินไปแล้วทําหมดทุกอย่างเลยคุณส่งคุญแจกนาคุณเสร็จปุ๊บคุณส่งกุณแจใไม่ได้เลยอนนี้เป็นความเชื่อระดับสูงสุดเลยครับก็คือความเชื่อที่ทอันนี้คือ เชื่อแบบแม่เชื่อแบบโอเบย์จูีนัดกันบ้านแบ่เนี้ยถึงนี่ยังถึงยังบางอย่างมันใหญ่ของผมเนี่ยมักจะมกจะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่โอเบเนี่ยมีเรื่องมีเรื่องพระเจ้ากับเราก็เหมือนกันนะ ถ้าเราเชื่อว่าพระองค์เนี่ยสุดว่าใน ใ, นใกล้ตัว น, น, นังบีมนะนังบีมพรเจ้าค้าเดือนพฤษภาพวกจะให้ลูกทำอะไรไ ด, ด้อันนี้ช่วยชิ้นังบีไปนะวันที่ห้าเดือนห้านะครับค้าทัสแอนโวเบนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าในที่สุดแล้วนะครับเราต้องอไงครับถ้าเราเห็น เรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นถ้าบอกว่าพระองค์ยิ่งใหญ่มากแต่เราเฉยๆนนถ้าบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากจริงๆเนี The ่ยแต่ว่าปีนาชาเขาบอกว